แต่พวกเราเนี่ยเวลามันเสื่อมไปนะทนไม่ได้ใช่ไหมเวลาดีนี่ชอบเวลาเสื่อมไปทนไม่ได้เวลาสงบเนี่ยชอบพอฟุ้งซ่านทนไม่ได้ดิ้นรนเราจะไม่ดูด้วยความเป็นกลางไม่ดูเฉยเฉยจะดูแล้วแทรกแซงทันทีพอมันเสื่อมไปกระทําทันทีให้มันดีขึ้นมาพอมันฟุ้งซ่านไปเราทําทันทีให้มันนิ่งขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าดูด้วยความไม่เป็นกลาง สติเนี่ยเห็นสภาวะแล้วสติเนี่ยนะที่เราฝึกๆกันเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเห็นสภาวะเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างเห็นโมหะบ้างเห็นฟุ้งซ่านเห็นโดดหูนี่เราน่าจะเห็นกันละบางทีบางคนเห็นจิตเคลื่อนใครเห็นจิตเคลื่อนบ้างมีไหมใครเคยเห็นบ้างจิตเคลื่อนเนี่ยนะพอเห็นไปแล้วเนี่ยนอกจากจะได้สติยังยังได้อีกตัวหนึ่งคือได้สมาธิด้วยจิตตั้งมั่น ตอนเคลื่อนเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นตอนตอนเห็นว่ามันเคลื่อนมันไปเห็นตอนนั้นเนี่ยไปเห็นจิตพอดีเห็นจิตน่คือเห็นอาการของความเคลื่อนของจิตจิตจ ต, ตั้งมั่นพอดีได้สมาธิและได้สติพร้อมกันสองตัวถ้าเห็นแล้ว <S <S เห็นว่าอาการเคลื่อนของมันน่ hm ana, ทำงานได้เองจิตทำงานเองถ้าเห็นว่ามันทำงานเองได้ปัญญาด้วย นั้นจะได้กุศลพร้อมกันสมตัวกุศลเนี่ยเวลาฝึกอาจจะฝึกทีละตัวฝึกสติบ้างฝึกสมาธิบ้างฝึกปัญญาบ้างเลยนะแต่ตอนใช้งานเอามาใช้เพื่อให้เกิดมรรคผลเนี่ยต้องให้มันเกิดพร้อมกันต้องให้มาันามมาคีกันสติสมาธิและก็ปัญญาเนี่ยต้องเกิดขณะเดียวกัน ขณะจิตเดียวกันถ้ามันแยกกันเกิดเมื่อกี้เกิดสติแต่ไม่มีสมาธิตอนนี้มีสมาธิแต่ไม่มีสติอย่างนี้ยังไม่ได้ตอนนี้มีสติและสมาธิยังไม่เกิดปัญญาก็ยังไม่ได้จะเกิดมากผลต้องประชุมต้องจัดประชุมกุศลธรรมหลายตัวให้มาพร้อมกันขาดตัวเดียวก็ไม่ได้ตัวสำคัญสคัญเนียนะอย่างใหญ่ๆเนี่ยก็คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาต้องให้ครบหรือกระจายไปก็เป็นมรรคมีองแปดกระจายก็ให้มากอภิอีกก็ได้ก็คือโพธิปักกียธรรมสามสิบเจ็ดบอกสามสิบเจ็ดน่ากลัวนะไล่ยากเลยสามสิบเจ็ดเนี่ยนะแต่ถ้าจัดเป็นชุดชุดนะก็จะพอได้ก็คือมี สติปฐานสีสัมมัปทานสีอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดครบไหมสามเจ็ดต้องครบนะเวลาจำนะเวลาจำเนี่ยพระท่านสอนว่าให้จำสีสีสีห้าห้าเจ็ดแปดเหมือนจำโทรศัพท์อะ เมื่อก่อนเนี่ยต้องมันไม่มีโทรศัพท์แบบมือถือแบบว่าเม ม, มเอาเลยนะเมื่อก่อนต้องใช้สมุดจดเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเบอร์คนนั้นเบอร์คนนี้บางทีจําเบอร์ก็ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจําแล้วยกให้โทรศัพท์มันทําเมื่อก่อนนี่ยเจะจําเป็นเบอร์ท่านก็แนะว่าโพสที่ปรัชญาธรรมเนี่ย จ, จำเป็นเบอร์ทโ ท, ท, รทรศัพท์สี่สี่สี่ห้าห้าเจ็ดแปด แต่ไม่มีศูนย์สองศูนย์ปดห้าศูนย์แปดสี่อะไรนะมีแค่นี้ไปสายรหัสเอาเองใครอยู่ตรงไหนก็ไปสายรหัสเอาเองน่เล่าเรื่องอะไรสเปะสปะเหมือนกันนะเริ่มจากคอสจีนนะมาหลวงพ่อามเขียนแล้วมาพระพรหมจริงๆก็คือว่าคนในคอสคนจีนเนี่นะ คนจีนเนี่ยแรกๆเลยมันก็จะจะยังดูสภาวะไม่เป็นมาใหม่ๆเ น, น, นะคอร์สแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ในการฝึกเข้าคอร์สมาหลายที่กลุ่มที่2ที่มาครั้งที่2เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นจะยังยังไม่ได้มีความช่ำชองในการเข้าคอร์สต่างๆดังนั้นปัญหาคนละแบบครั้งแรกเนี่ยมีปัญหาว่าทําสมาธิไม่ถูก ข้อที่สองนี่คือยังไม่ยังไม่มีความรู้ตัวคือยังเห็นสภาวะไม่ได้การเน้นก็เลยต้องมาเน้นเรื่องการดูสภาวะให้เขาเห็นสภาวะให้ได้สภาวะเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเป็นของแท้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมมุติเรื่องสมมุติเนี่ยเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในหัวของเรา เวลาเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสมมุติแทบทั้งนั้นคิดว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ยังไงกับใครดีไม่ไม่ดีอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องสมมุติเป็นความคิดตัวสภาวะแท้แท้ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือฟุ้งซ่านเวลาเรารู้สภาวะคือไม่รู้ว่าไม่ใช่ไปรู้ว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในในใจของเราแต่รู้ว่าใจเมื่อกี้นี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบอกเข้าอย่างงี้นะ เวลาเราเกิดโทสะมักจะบอกมองคนอื่นว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจึงไม่ชอบใจสถานที่นี้ไม่ดีไม่ชอบใจอากาศตอนนี้ไม่ดีฉันไม่ชอบใจเราไปมองสิ่งอื่นว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีตัวสภาวะแท้ๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือโทสะไม่ใช่ไปมองว่าใครไม่ดีหรืออะไรไม่ดีแต่มองว่า มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับการมองเห็นกับการฟังกับการดมกับโลกอันนั้นคือไปกระทบโลกแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรให้รู้ทันใจมีราคะมีราคะก็คนมีราคะก็มักจะมองคนอื่นคนนั้นสวยคนนี้หลอ่อคนนี้น่ารักคนนี้น่ากอดคนนี้น่าคุยมีราคะอันนี้คือหลงไปในเรื่องราวที่เป็นสมมุติมันยังไม่แน่เห็นเขายิ้มให้ ไ ม, ไม่แน่ว่าเขาจะยิ้มเพราะมีใจรักเราหรือมีใจให้เราหรือเปล่าอาจจะยิ้มยิ้มแบบไร้ความหมายก็ได้ยิ้มลอยลอยมีปกติยิ้มใบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่เสมอประมาณนี้นะมันยังไม่แน่หรือเห็นว่าเขาดีเราเชื่อว่าเขาดีแต่เขาจะดีตามที่เราเชื่อหรือเปล่ายังไม่แน่หรือตอนนั้นดีจริงจะดีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าก็ยังไม่แน่แต่เรารักซะแล้ว ให้รู้ความรักที่เกิดขึ้นมีราคะเสแล้วให้รู้ราคะในใจไอ้เขาดีและไม่ดีนี่เป็นสิ่งสมมุติยังไม่แน่ชี้ให้เขาดูให้เขาดูอย่างนี้ฟุ้งซ่านก็มีหดหูก็ได้หดหูคือขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจก็เป็นสภาวะอันนึงไม่อยากไม่อยากทำอันนี้และความนั้นไม่อยากทำอันนี้จะไปทำอย่างอื่นหรือไปทำจะไปที่ไหนก็แล้วแต่น น, นะ สิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่น่าทำแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอเรื่องที่เราไม่อยากทำเนี่ยเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่เราเห็นอันนั้นแล้วขี้เกียจไม่อยากทำความขี้เกียจไม่อยากทำเป็นปฏิกิริยาในใจให้รู้ทันความขี้เกียจในใจทำทีไรก็ผิดพลาดทุกทีรู้สึกหดหูในใจไอผิดพลาดก็ช่างเถอะแต่ความหมดหูเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ แต่ไม่ใช่ว่ามัวจะดูในใจแล้วไม่รู้โลกเพราะตอนดูในใจเนะี่ยมันดูแว บ, บเดียวดูราคะดูแว บ, บเดียวดูโทรศัน่ดูแว บ, บเดียวดูเสร็จแล้วก็รู้รู้โลกต่อรู้โลกรู้โลกนี้ต่อรู้ด้วยตาบ้างรู้ด้วยหูบ้างรู้ด้วยจมูกบ้างด้วยลิ้นด้วยกายและที่บ่อยเลยก็คือในใจมันไม่เสียเวลาขนาดที่ว่ามาเจริญสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้ว จะเป็นคนโง่กับโลกแต่กลายเป็นว่าเมื่อรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วกลับอยู่กับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีมีปฏิกิริยาแล้วไม่รู้ตัวก็กลายเป็นเหม่อลอยเหม่อลอยก็ทำอะไรไม่ดีใช่ไหมไม่สบเสียเวลา มีเป็นรู้โลกแล้วมีราคะขณะนั้นก็จิตเอ็นเอียงแล้วมีราคะก็กลายเป็นอกุศลนะคิดทำพูดอะไรในขณะที่จิตมีราคะคือทํำอกุศลทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะตอนที่มีโทสะนะมีโทสะมันชัดๆัดใช่ไหมว่าทําอะไรตอนที่มีโทสนะเนี่ยมันอกุศลแต่มีราคะแล้วไม่รู้ทันทําอะไร ท, ทั้งทั้งที่มีราคะอยู่ก็เป็นอกุศลจะให้ของอะไรทําด้วยราคะก็ทําด้วยการเอ็นเอียง ให้คนนี้ให้คนนี้มากหน่อยคนนี้ไม่ทำเมินๆไม่ให้ก็ได้คือราคะถ้าทำโดยที่ไม่มีสติเห็นมันก่อนเนี่ยก็จะถูกราคะเนี่ยครอบงำไม่ใช่งำนะครอบงำคราวนี้เราทำอย่างรู้ตัวรู้ตัวว่ากาลังทำอะไรอยู่มีเจตนาชัดเจนมีเจตนาชัดเจนเจตนาทำไปแล้วเราก็ต้องรับวิบากเอง <laughs> กิเลสไม่มารับวิบากกับเรา แต่กิเลสมาครอบงำเราดูสิมันน่าเกลียดมากนะเวลารับวิบากแล้วเราก็มีกิเลสต่ออีกรับสิ่งดีๆเราก็มีราคะกับสิ่งนั้นต่อรับสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีโทสะกับสิ่งนั้นต่อรับแล้วไม่หนักไม่เบาเพลินๆก็เผลอเป็นโมหะต่อน่ากลัวทุกครั้งที่ไม่มีสติคือจะมีกิเลสอยู่เสมอสติพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เป็นองค์ธรรมที่คอยรักษาจิตรักษาจิตก็คือตรงเนี้ยฝรั่งงงนิดหนึ่งฝรั่งมาแปลตรงนี้นะจะบอกว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ า, าไงมีสติรักษาจิตเนี่ยคุยกับฝรั่งเใช้คำไหนดีจะคีบจะเซฟ หรือจะอะไรงงเขาถามว่าจะรักษาเพื่อให้เป็นอะไรหรือรักษาให้อยู่นี้ต่อไปต่อไปหรือเปล่าจะพีเซิร์ฟหรือเปล่ารู้จักไหมพีเซิร์ฟเนี่ยเหมือนเหมือนรักษาให้มันนิ่งอย่างนี้เป็นนานๆอย่างงี้นะคีฟคือเก็บรักษาหรือเซฟเอาไว้ไม่ใช่นะมันเหมือนเป็นอะไรสรุปแล้วเนี่ยฝรั่งพอคําฟังคำอธิบายไปเรื่อยๆเลยนะ ทุกครั้งที่มีสติจิตดีทันทีถ้าไม่มีสติจิตเสียเลยคือช่วยป้องกันก็ได้หรือช่วยรักษาก็ได้คนไทยฟังรักษาบอกว่ า, าสติมีหน้าที่รักษาจิตเนี่ยนะคนุณสมบัติของสติคือมีหน้าที่รักษาจิตคนไทยจะเข้าใจเลยใช่ไหมแต่ฝรั่งที่รู้ภาษาไทยบ้างเนี่ยนะฟังแล้วงงพออธิบายไปอ๋ออย่างนี้น่าจะใช้คาว่า ก a r d g ดกาดอะกาดบอดอะคือมีอยู่แล้วปลอดภัยจิตปลอดภัยไม่ใช่ไปแช่อิ่มไม่ใช่ไปหมักเกลือไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ไปเข้าตู้เซฟไม่ใช่อย่างนั้นหรือรักษาเพื่อให้เป็นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นพวกอนุรักษ์ แต่พอมีแล้วดีเลยเหมือนมีคนมาคอยคุ้มครองป้องกันสติมีมาเมื่อไหรก่ก็จิตก็ดีมาเมื่อ น, นั้นเลยคือมีสติเมื่อไหร่จิตดวงนั้นเป็นกุศลทันทีแต่พอขาดสติเป็น <c oughs> ก็กลายเป็นอกุศลสติจึงเหมือนเป็นเครื่องรักษาจิต <c oughs> นี่ต้องไปแปลให้คนจีนอีกทีนะเนี่ย <c oughs> คนจีนจะใช้คําว่าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าขาดสติจิตดวงนั้นนะถ้าขาดสตินะดับไปจิตก็จะจำทุกครั้งที่จิตเกิดขึ้นมานะแล้วดับไปเนี่ยนะจิตจะทำหน้าที่จำทุกครั้งเลยทำงานกังมันเองจิตจะทำงานของมันเองมีจิตขึ้นมาสวยอารมณ์ขาดสติแล้วก็จำดับไปนะนะมันก็จำเซฟข้อมูลมีจิตเกิดขึ้นมาในวิถีอีกครั้งหนึ่งรับรู้โลกแล้วก็ดับไป เกิดเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะทุกครั้งที่ดับเนี่ยจิตจะจําแต่จําตอนที่มันขาดสติเนี่ยนะมันจะจําในลนักษณะของเป็นอนุสัยเกิดขึ้นมาแล้วมีราคะระดับไปตอนนั้นสะสมอนุสัยคือเป็นราคะเกิดขึ้นมาแล้วมีโทสะแะ้วดับไปขณะที่ดับไปเนี่ยมันก็จําในลนักษณะของโทสะแต่มันไม่ได้จําว่าโทสะเป็นยังไงนะ ไม่ได้จําว่าราคาเป็นยังไงไม่ได้จําว่าโทสะเป็นยังไงแต่มันจำว่าใหญ่คนนี้ไม่ดีตากคนนี้ไม่ดีถ้าเป็นราคาก็โอ้คนนี้ดีจังคนนั้นดีจังจําอย่างนี้หรือว่าเผลอเเพลิเลเลน เ, นเนคือโมหะก็จําจําแบบไม่รู้เรื่องจําเป็นอวิชชาไปตรงนี้ทุกครั้งที่ไม่มีสติ ขณะที่ไม่มีสติเนี่ยจึงจําสะสมกิเลสไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นอนุสัยแต่ถ้ามีสักขณะหนึ่งขณะนี้สมมุติขณะนี้เป็นราคะนะแล้วดับตอนดับเนี่ยก็สะสมอนุสัยไปแล้วนะแต่จิตดวงใหม่ที่เกิดต่อทันทีเนี่ยแทนที่จะไปรู้โรคอื่นๆข้างนอกเนี่ยหันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนิดนึงว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้น แลจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้มีราคะเกิดขึ้นก็ดับด้วยนะแต่ตอนดับเนี่ยมันไม่ได้จําว่าใครน่ารักแต่จําว่าราคะมันเป็นยังไงแต่ดูครั้งเดียวเนี่ยมันไม่พอไอ้จิตที่เห็นว่าเมื่อกี้มีราคะเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าจิตที่มีสติเห็นสภาวะของแท้จริงๆไม่ได้จําว่าใครทําอะไรใครน่ารักใครสวยใครหล่อไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจําว่าราคะเป็นยังไงตอนจําว่าราคะเป็นยังไงมันจําลักษณะของราคะ เวลามีราคะจริงๆมันจําลักษณะของสมมุติของคนข้างนอกว่าคนนี้หน้าอย่างนี้คือสวยคนนี้หน้าอย่างนี้คือหล่อทําอย่างนี้คือดีคือไปจําข้างนอกแต่เห็นราคะเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของร า, ราคะคือเห็นราคะเนี่ยมีลักษณะเหมือนดึงดูดพอใจถ้าเห็นบ่อยๆจะเห็นแล้วว่ามันเหนียวเหนียวด้วยมันมีเหนียวเหนียวพอเห็นแล้วมันใจเราเนี่ยติดกับมัน เหมือนกาวอ่ะเหมือนกาวติดกับมันแต่เป็นโทรศัทเนี่ยจะลักษณะอีกแบบหนึ่งลักษณะของราคะเป็นแบบหนึ่งลักษณะของโทรศัพท์เป็นแบบหนึ่งแต่ตอนมีโทรศัพท์กับคนนี้กับมีโทรศัพท์คนนั้นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้ไม่ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีก็จําว่าคนนี้ก็ไม่ดีเห็นอีกก็เห็นว่าคนนี้ไม่ดีเห็นคนนี้อีกก็เห็นว่าคนนี้ไม่ดีไปเจอคนอื่นถ้าเขาทําไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ดีอีกไปจําว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดี แต่ตอนที่เห็นโทสะเนี่ยเห็นว่าโทสะมีลักษณะยังไงโทสะคือมีลักษณะเหมือนกับว่าไม่พอใจสิ่งที่ปรากฏอยู่อยากจะผลักไสอยากจะทําลายถ้าผลักไสทําลายไม่ได้ก็จะเอาตัวเองหนีออกไปลักษณะของโทสะเป็นอย่างนี้ไม่ได้จําว่าคนนี้ไม่ดีสถานที่ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นจําลักษณะของโทสะเวลาใจลอยใจลอยฟุ้งซ่านมันก็รู้เรื่องราวในความคิด รู้เรื่องราวยิ่งโหในความคิดเรื่องราวเยอะแยะไปหมดใช่ไหมไปจําเรื่องราวก็ได้แต่โมหะต่อแต่รู้ว่ามีโมหะเกิดขึ้นก็คืออาการใจลอยความไม่รู้ตัวความไม่รู้ตัวเป็นอย่างนี้รู้ทันความใจลอยฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้หดหู่เป็นอย่างนี้เห็นลักษณะของมันทุกครั้งที่เห็นเนี่ยมันจะจําสภาวะแท้แท้ของของสภาวะอันนั้นราคาเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้ตอนจําไปเนี่ย เห็นสองสามครั้งยังไม่พอต้องเห็นบ่อยๆตอนเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะจำลนนักษณะของเป็นสัญญาจําว่าราคะเป็นอย่างนี้โทรศัพท์อย่างนี้จําได้บ่อยๆเขาแล้วเนี่ยจนมันแน่นแฟ้นจะมีภาษาบาลีอยู่คํานึงว่าธิระสัญญาธิระสัญญาคือเสถียรมั่นคงธิระคือมั่นคง มีสัญญาที่มั่นคงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องตั้งใจที่จะมาดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจิตมันทำงานเองมันเห็นเองมันไปดูเองตอนฝึกเนี่ยต้องตั้งใจนิดนึงตอนฝึกนะต้องตั้งใจนิดหนึง่งอัตมาเคยใช้ใชคำว่าแงะใช่ไหมใครใครเคยฟังเดิมๆ เ, เนี่ยจะมีอัตมาจะใช้คาคํานึงว่าแงะแงะคือหันไปดูนิดหนึง่ง ไม่ใช่หันไปจ้องหันไปดูนิดหนึ่งตอนฝึกเนี่ยต้องหันไปดูนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับใจเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นกับใจมันเหมือนกับว่าต้องทำไม่ใช่ว่าให้มันเกิดโดยอัตโนมัติทันทีเพราะเรายังมีไม่มตีต้นทุนอะไรเลยไม่มีความเคยชินในการดูสภาวะเลยนั้นต้องสร้างความเคยชินอันนี้ก่อนเรามีความเคยชินในการดูข้างนอก เวลาลืมตามาเห็นก็เห็นข้างนอกเวลาจะฟังอะไรก็ฟังเรื่องข้างนอกคิดนึกอะไรก็เรื่องราวข้างนอกไม่ได้มีสภาวะที่เคยชินในการดูดูเรื่องราวในใจดูสภาว ะ, วะว่ามีราคะโทสะโมโหะเนี่ยนั้นไอ้ตอนขั้นตอนการฝึกเนี่ยต้องสร้างความเคยชินคือตั้งใจดูดอ่อนตอนตั้งใจดูเนี่ยมันเหมือนทากรรมเหมือนทากรรมอยู่นะ ทำกรรมเนี่ยก็คือถ้าในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะมีกรรมก็เกิดพบพในที่เรากาลังทําฝึกอยู่เนี่ยเป็นพบของนักปฏิบัติต้องทำก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีความเคยชินในการดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจสภาวะต่างๆราคะโทสะโมหะ เ, เราไม่เคยสร้างความเคยชินอย่างนี้ตอนกระบวนการสร้างความเคยชินเนี่ยเรียกว่าทำกรรมฐาน เคยเล่าที่นี่ไหมว่าการทำกรรมเนี่ยมีสี่แบบทากรรมเนี่ยมีสี่แบบกรรมดำให้ผลดำอันที่หนึ่งนะอันที่สองคือทำกาทำกรรมขาวให้ผลขาวอันที่สาคือกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวนี่เข้าใจใช่ไหมกรรมดำให้ผลดำก็คือทาบาปได้ผลที่เป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลขาวก็คือทำกุศล ให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวเข้าใจไหมพอยกตัวอย่างได้ไหมใครยกตัวอย่างได้บ้างกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลให้ผลทั้งดำทั้งขาวอันนี้นะไปสอนสอนคนจีนนะคนจีงก็บอกว่าคนบอกอะไรบ้างนะประมาณให้ของให้ทานนะแต่ของนั้นไม่ดีประมาณอย่างเงี้ยคือ มีการให้ทานเหมือนกันแต่ของนั้นไม่ดีก็เลยมีกรคมขาวเหมือนกันแต่ก็มีดําปนด้วยประมาณอย่างนี้มีดักแด้สงสารดักแด้ไปกรีดดักแด้เออไิกรีดใยมันใช่ไหมกรีดรังมัน<ะ>กรีดกรีดรังไม่ใช่ไม่ได้กรีดตัวนะกรีดรังเพื่อให้มันออกไปปรากฏว่าด้วยเจตนาดีเจตนาดีนะอยากจะช่วยมันแต่กลายเป็นว่า ทำให้มันออกมารับพิการเพราะว่าตอนเป็นดักแด้เนี่ยนะตอนจะออกจากหลังมันเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะทำให้มันแข็งแรงตอนที่มันเหยียดต่อสู้ออกมาจากรลังเขามัน ไ, ได้เนี่ยทำให้เลือดลมเขามันสูบฉีดไปสู่ปีกเขามันเต็มที่แต่ถ้าออกมาสบายๆนะมันก็งอสันน่นนั่นเองกลายเป็นผีเสื้อพิการ <laughs> นี่คือ กรรมทั้งดําทั้งขาวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เป็นตัวอย่างคนทั่วไปคิดได้สามกรรมนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้ามาสอนกรรมที่สี่คือกรรมไม่ดําไม่ขาวให้ผลไม่ดําไม่ขาวแค่คิดก็คิดยากแล้วนะพูดไปแล้วก็งงอีกใช่ไหมกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นยังไงวะ ให้ผลไม่ดำไม่ขาวคือทำกรรมเหมือนกันนะเป็นกระบวนการของการทำกรรมก็คือที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละทำกรรมฐานทำกรรมฐานคืออยู่ในกระบวนการของการทำกรรมไม่ดำไม่ขาวผลของมันคือพ้นจากโลกนี้ถ้ายังมีสุกติก็คือไปรับกรรมขาว กับรับวิบากขาวถ้าไปทุกขติก็คือไปรับวิบากดำมาอยู่เป็นคนสุขบ้างทุกบ้างก็ทั้งดำทั้งขาวใช <laughs> ่ไ <laughs> แต่ถ้าให้พ้นโลกไปเนี่ยศาสด า, า, าไหนๆก็คิดไม่ออกไม่คิดว่ามีด้วยซ้าไปคิดว่าให้วนอยู่นี่แหละแต่ให้ให้มันค้างๆอยู่กับสุขติคิดไม่ออกว่าจะพ้นโลกนี้ยังไงคิดไม่ออกว่ามีวิธีมีภาวะที่พ้นโลกด้วย ละถ้านึกออกได้ว่าจะต้องพ้นโลกก็นึกวิธีไม่ออกว่าจะต้องพ้นโลกนี้ยังไงนี่คือต้องรอมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะคิดออกได้ว่าจะพ้นโลกและพ้นยังไงและพ้นแล้วพ้นแล้วบอกต่อด้วยและอย่างใครฟังและทําก็พ้นได้ด้วย <c oughs> แล้วก็กําลังบอกอยู่ <c oughs> นี่นะกรรมไม่ดําไม่ขาวให้ผลไม่ดําไม่ขาวก็คือ มาเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ที่เรายัางหลงไปสวรรค์บ้างหรือหลงไปลงนรกบ้างหรือหลงไปค้างเป็นพรหมบ้างเนี่ยก็คือทากรรมขาวบ้างทากรรมดำบ้างวนเวียนอยู่ในภพทั้งหลายถ้าเราอยากจะพ้นจากนี้ไปนะทำแบบไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็คือทำได้แค่เพียงอรูปภพเป็นวิภพบแบบ แบบเท่าที่ชาวโลกทั้งหลายจะทําได้ก็คือไปเป็นอรูปแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นอรูปก็คือเป็นภพภพหนึ่งนี่ท่านอธิบายกับพระพรหมนะอรูปก็เป็นภพภพหนึ่งมันพ้นจากความเป็นพรหมก็จริงมีอายุเป็นพันพันกับไม่ใช่น้อยนะเป็นพันพันกับโลกแตกดับจักรวาลแตกดับพันครั้งมากกว่าพันก็มีเสียเวลาเยอะแต่พ้นจากนั้นแล้วก็ต้องกลับมาเป็นรูปประภพมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ ไม่พ้นจากจากวัตตะไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากทุกนี้จริงจะพ้นจากทุกนี้จริงไม่ใช่วิธีไปไปสร้างพบอะไรที่ไหนใหม่ไม่จะไปสร้างพบใหม่ไม่สร้างไปสร้างที่ใหม่ไม่ช่างไม่ใช่ไปสร้างโลกของนิพพานอันเอาใหม่แต่เข้าใจว่าไม่ว่าจะอย่างลงในที่ใดพบใดเป็นทุก์ทั้งนั้นเข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นเลยว่าไม่ว่าจะไอ้รูปเนี่ยมันเห็นง่ายๆว่า เป็นทุกข์จะไม่เอารูปคือร่างกายเนี่ยเห็นง่ายๆแต่พอมีความสุขเกิดขึ้นในใจจากการทำชาญและพอใจในความเป็นสุขเนี่ยนะก็คือสร้างภพอันหนึ่งแนะ่ะมีความสงบเกิดขึ้นในใจและไปพอใจในความสงบนั้นก็เป็นการสร้างภพอันหนึ่งเห็นความดีเกิดขึ้นพอใจในความดีนั้นก็เป็นการสร้างภพอันหนึ่งไม่พ้นจากภพครูบาอาจารย์ยังบอกว่า ไอ้สุขสงบดีเนี่ยนะเป็นตัวหลอกของนักปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะไม่เราไม่กล้าทำผิดศีลแล้วละ่ะเราเห็นแล้วว่าศีลเนี่ยผิดแล้วเป็นเรื่องร้ายแน่แต่พอทำไปแล้วเนี่ยได้ความสุขพอใจในความสุขไม่รู้ว่าตอนพอใจเนี่ยสร้างพบนะตอนสงบแล้วพอใจในความสงบนั้นก็ติดพบนะดีติดดีก็เป็นพบนะ